ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ก็ลองกับวันที่27เดือนมิถุนายนพศสองพห้าธรรมะวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องศูนย์เสียแต่ไม่เสียศูนย์ผมก็เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง มีชื่อว่าอาสิติมหาสาวก8ปสิรูปก็คือเกี่ยวกับเรื่องพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลแปสิบรูปผ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วเนี่ยได้เกิดกำลังใจมากมรู้สึกว่าเราเนี่ยกล้าที่จะเผชิญหน้าความทุกข์คือไม่กลัวความทุกข์อ่ะอ่านแล้วไม่กลัวความทุกข์เรเกิด ความเพียรเกิดฉันทะที่จะภาคเพียรขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นอดีด้ทรเคยอ่านไหมหนังสือเล่มนี้ลองอ่านดูสิดีนะมันเกิดกำลังใจนี่พอได้อ่านาพระรหัตในสมัยอดีตการเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่มันใกล้เคียงกับชีวิตของผมอะ เรื่องความสูญเสียและมีความทุกข์มากนะตอนนั้นเราก็จะมองแต่ตัวเราคนเดียวว่าเรานี่คงน่าจะเป็นทุกข์ที่สุดในโลกนี่ก็ไปอ่านถึงเรื่องนางปตาจราารัานางปต a จ a ลานี่สูญเสียมากอย่างเช่นเสียสามีเสียลูกไ ป, ปสองคน เสียพ่อเสียแม่เสียพี่เสียบ้านเรือนสมบัติพัสดุสารต่างๆเนี่ยไม่เหลือเลยเลยได้ตัวเปล่าๆแล้วแถมยังเป็นบ้าด้วยพอถึงจุดนี้เราก็มองโอนางปตจลานี่เป็นทุกข์มากลืมมองตัวเองไปแต่พย้อนถึงตัวเองที่เปรียบเทียบกับเรื่องราวของนางปตจลาเนี่ย มันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคือเรามองว่าอันที่จริงแล้วเราเนี่ยเสียมากกว่านางปตาจาิจลาเนาะสูญเสียมากกว่าสูญเสียมา ก, กทั้งร่างกายจนทั้งร่างกายเราพิการแต่นางปตาจาิจลาเนี่ยไม่พิการเนี่ยเราก็เกิดการเปรียบเทียตรงนี้ข้คือมองส่วนที่เราเสียไปเนะี่มเราเนี่เป็นทุกข์มากกับนางปตาจาิจลาเนาะ ใจใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะเราเป็นทุกข์เพราะร่างกายพิการแต่เราก็ยังมีส่วนเหลืออยู่เยอะกับนางปัะตาจลานะเรายังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่ห่วงใยเราแล้วเราก็มีบ้านเออแล้วเราไม่บ้าด้วยท่านี่เราอยากจะเป็นคนบ้าแต่มันก็ไม่บ้าเนี่ยเออโอ้เราเนี่ยเสีย มากไม่เท่ากับนางบัตตาจลาคือเรามองผิดไปมองผิดมุมมุมมองเรามองแต่ส่วนที่เสียแต่เราไม่มองส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนี่เราเหลือมากกว่านางบัตตาจลาเออเกิดกําลังใจนะเกิดกําลังใจขึ้นมาทันทีเลยหลังจากนั้นสักวันสองวันก็ผมก็ไปในครัว ในครัวที่บ้านผมมันก็มีน้องสาวน้องสาวนี่เห็นขวดน้ำผึ้งขวดหนึ่งหกอยู่โอ้มันมันหกไปตั้งครึ่งขวดน้องก็เสียดายนะว่าบอกบอกบอกกับผมว่าเนี่ยน้ำผึ้งมันมันหกไปตั้งครึ่งขวดผมก็มองว่าเอออย่าไปมองส่วนที่เสีย มองส่วนที่เหลือทสิเราเหลือตั้งครึ่งขวดนะเรายังมีเหลืออีกครึ่งขวดอนะ่ะเราไม่เสียหมดน้องบอกว่าแนนมันเสียดายเสียดายส่วนที่หกไปเนี่ยแสดงว่าน้องสาวผมเนี่ยมองแต่ส่วนที่เสียไม่มองส่วนที่เหลือซึ่งมันใช้ประโยชน์มากกว่าอ่าเราก็ให้แง่คิดไปน้องก็เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้น ยาดธรรมได้ทำเคยสูญเสียไหมในอดีตเนี่ยแต่ละคนทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสูญเสียบ้างไม่มากก็ น, น้อยนะอันนั้นคือเรื่องอดีตแต่ถ้าหากว่ า, า, ยาทยาิธรรมเนี่ยมีความสูญเสียเกิดขึ้นก็อย่าให้ใจเนี่ยเสียศูญเมื่อเกิดความสูญเสียแล้วตั้งสติให้ได้ ตั้งสติให้ได้แล้วก็อย่ามองส่วนที่เสียพยายามมองส่วนที่เหลือถ้าเรามองส่วนที่เสียเนี่ยเราจะเกิดความเสียดายก็จะหมดกําลังใจมองเพียงด้านเดียวยังไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเราปล่อยวางส่วนที่เสียซะไปมองส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเกิดกําลังใจนะกําลังใจเหล่านี้มันทําให้เราเกิดการพัฒนาจิต ทำให้เราคิดขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรให้มันได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ดีกว่ามีประโยชน์เพราะนั้นอย่ามองส่วนที่เสียพยายามมองส่วนที่เหลือให้มากกว่า